เจอพวกนักเพ่งเพ่งมากๆากนะมีพวกหนึ่งก็พวกนักคิดคิดลูกเดียวเลยที่ว่าเรียนกรรมฐ า, านเนี่ยเรียนด้วยสมองเหมือนอย่างเรียนหนังสือทางโลกกรรมฐ า, านน่าเรียนเรื่องจิตเรื่องใจนะไม่เอาสมองมาเรียนเรื่องใจไม่ได้จะเรียนเรื่องจิตเรื่องใจก็ต้องใช้จิตใจของเรามาเรียนนะใช้ความรู้สึกค่อยๆสังเกตไปสังเกต ร่างกายนะใจเราเป็นแค่คนดูร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นแค่คนดูนะสังเกตจิตใจนะความรู้สึกอะไรแปลปลอมขึ้นมาก็รู้เอาให้ความรู้สึกเกิดก่อนแล้วค่อยรู้เอานะห้ามไปดักดูก่อนดูกายกับดูจิตน่ไม่เหมือนกันดูกายนะดูลงปัจจุบันเลยเรื่องปัจจุบันขณะ ดูจิตเนี่ยดูต่อเนื่องกับปัจจุบันเรียว่าปัจจุบันสันตติสองอันนี้ไม่เหมือนกันระหว่างปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะภาษาไทยก็คือขณะปัจจุบันขณะเดี๋ยวนี้แต่ถ้าดูจิตดูใจเป็นปัจจุบันสันตติสืบต่อกับปัจจุบันทําไมดูจิตดูลงปัจจุบันตรงๆไม่ได้ต้องไปดูต่อกับปัจจุบันดูไม่ได้เพราะว่าจิตเนี่ยธรรมชาติของจิตเนี่ย รู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวงั้นเวลาที่เราอย่างเราขับรถอยู่คนมาปาดหน้าเราเราไปมองเขาที่มาปาดหน้าใจมันคิดที่มา น, นะใจมันโกรธเรามีวัตถุคือมีอารมณ์ที่ทําให้โกรธก็คือไอ้คนที่ขับรถปาดหน้าอยู่ในขณะนั้นจะมาเห็นจิตไม่ได้จิตมัวแต่สนใจคนที่ขับรถปาดหน้าเรา แต่ถ้าเมื่อไหร่สติเกิดรู้ทันว่าจิตมีความโกรธมันเป็นจิตอีกดวงหนึ่งละจิตดวงที่ไปดูคนที่ขับรถปาดหน้าเราเนี่ยดับไปเียพ้อยลวเกิดจิตดวงใหม่จิตดวงใหม่เอาอะไรเป็นอารมณ์เอาจิตดวงเก่าที่ดับไปสดๆดร้อนๆนั้นเป็นอารมณ์คืเห็นความโกรธคล้ายๆเห็นหางมันไหวๆนิดเดียวเห็นความโกรธแวบมาขาดสะบั้นไปเลย งั้นเวลาดูจิตจะดูต่อเนื่องกับปัจจุบันอันนี้พระเถรเจ้าสอนเลในสติปัฏฐานในเรื่องของจิตตานุกปราสนาสติปัฏฐานท่าบอกดูกราภิกษุทั้งหลายจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะเห็นไหมให้มีราคะจิตมีราคะขึ้นมาก่อนแล้วก็รู้ว่ามันมีราคะดูกราภิกษุทั้งหลายจิตไม่มีราคะรู้ว่าไม่มีราคะ ความไม่มีราคาเกิดขึ้นก่อนแล้วก็รู้ว่ามันราคามันดับไปแล้วดูกราภิกษุทั้งหลายจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะนี่โทสะเกิดก่อนแล้วก็รู้ว่ามันมีโทสะดูกราภิกษุทั้งหลายจิตไม่มีโทสะรู้ว่าไม่มีโทสะดูกราภิกษุทั้งหลายจิตมีโมหะรู้ว่ามีโมหะจิตไม่มีโมหะรู้ว่าไม่มีโมหะโมหะเกิดก่อนนะ ก็รู้โมห oh ะดับไปเขาก็รู้นะดุขรภิกขุทั้งหลายจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านนะจิตหดหูรู้ว่าหดหูงันะ้นให้ความรู้สึกเกิดก่อนแล้วก็ค่อยรู้เอาจนะไม่เหมือนร่างกายร่างกายท่านใช้คําอีกอย่างหนึ่งดุขรภิกขุทั้งหลายเมื่อยือนอยู่นะก็รู้ชัดว่ายืนอยู่รู้ชัดๆเลยรู้เดี๋ยวนี้เลยนะดีกรีไม่เหมือนกันนะนะ ไม่ใช่ว่าจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะอันนั้นจิตมีโทสะไปก่อนแล้วรู้ว่ามีโทสะแต่พอดูกายเนี่ยรู้ชัดรู้ตรงนี้เลยรู้เดี๋ยวนี้เลยนะไม่ใช่รู้กายในอดีตกายเนี่ยดูปัจจุบันได้ทําไมกายดูลงปัจจุบันได้เพราะขณะนั้นจิตเอากายเป็นอารมณนะ์ก็เลยดูกายได้แต่ถ้าจะเอาความรู้สึกต่างๆมาเป็นอารมณ์นะต้องดูอารมณ์ตัวที่ดับไป ความรู้สึกมันเกิดจากตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจคิดนื้อปรุงแต่งมันใช้อะไรเป็นอารมณ์ในขณะนั้นมันใช้รูปใช้เสียงใช้กลิ่นใช้รสใช้ผดผภาใช้ธรรมารมณ์เป็นอารมณ์ว่าจิตไปรู้รูปรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้ผดผภารู้ธรรมารมณ์ที่มายั่วนะจิตก็เกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลเกิดอกุศลขึ้นมา ในขณะนั้นมีรูปเสี A R M, นะยงกลิ่นรสโทชภัพเป็นอารมณ์มีธรรมารมด้วยเป็นอารมณ์อย่างเรื่องราวที่เราคิดนีเป็นธรรมารมสิ่งเหล่านี้เป็นอารมณ์จิตไปรู้สิ่งเหล่านี้แล้วจิตจะมารู้จิตไม่ได้ถ้ามีจิตอีกดวงหนึ่งไปรู้แต่ขณะที่เรามารู้กายจิตใช้อะไรเป็นอารมณ์จิตใช้กายเป็นอารมณ์เพื่อใั้เรารู้กายได้ลงปัจจุบันได้เลยเนะนี่ยมันจะมีความแตกต่างกัน การรู้กายเรียกว่ารู้เป็นปัจจุบันขณะการรู้จิตใจเรียกว่าปัจจุบันสันตติคือสืบเนื่องกับปัจจุบันเงืนะ่วิธีดูจะต่างกันนี่คือหลักของการที่จะเจริญปัญญาแต่ก่อนที่เราจะเจริญปัญญาได้เราต้องเตรียมความพร้อมของจิตสก่อนเมืนะ่อ ว, วานหลวงพ่อก็บอกแล้วว่าต้องเตรียมความพร้อมเริ่มแต่เตรียมให้มีศีลก่อนใช่ไหมทำยังไงศีลมันจะเกิดให้เรามีสตินี่แหละ รู้ทนันกิเลสต่างๆที่เกิดข so ึ้ <im Alto> น, นกับจิตทันทีที่เราไปรู้ทันกิเลสนะกิเลสดับอัตโนมัติเลยกิเลสจะดับอัตโนมัติเพราะเมื่อไรมีสติมันนั้นไม่ม <ati> ีกิเลสเราไม่ต้องดับกิเลสจะไม่มีกิเลสให้ดับแค่รู้ทันว่ามีกิเลสกิเลสก็ดับไปแล้วเมื่อกิเลสดับกิเลสที่จะมาครอบงําจิตไม่ได้เมื่อกิเลสครอบงําจิตไม่ได้ศีลอัตโนมัติจะเกิดขึ้น งันเรามีศีลขึ้นมาง่ายๆเลยไม่ต้องขอใครศีลขอเนี่ยศีลอ่อนแอนะอยากก็เที่ยวขอมีอะไรนิดหนึ่งก็เที่ยวขอกับพระตลอดเลยพระก็แจกศีลทุกวันแล้วศีลหมดเลยลืมถือศีลเลยแจกให้โยมไปหมดละงั้นศีลเราเนี่ยไม่ต้องขอใครก็ได้ถ้าจะขอเป็นพิธีกรรมตามวาระตามสมควรเป็นประเพณีอะไรก็ว่าไป แต่ว่าศีลของเราจริงๆนะให้ตั้งใจรักษาเอาเองอยู่ที่เจตนางดเม้นนะตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยตั้งใจเลยว่าวันนี้เราจะรักษาศีลห้าก่อนจะกินข้าวกลางวันตั้งใจอีกว่าวันเนี้ยที่เหลืออยู่เนี่ยเราจะรักษาศีลห้าก่อนจะกินข้าวเย็นก็ตั้งใจอีกก่อนจะนอนก็ตั้งใจอีกเผื่อว่าช่วงเวลานั้นถัดจากนั้นเราเกิดปุบปับตายไปเรียกว่าตายอย่างมีศีล ก็ตั้งใจรักษาแล้วนะวิธีที่จะรักษาก็คือมีสติรักษาจิตคอยรู้เท่าทันจิตเรื่อยๆไปจิตมีราคะให้รู้จิตมีโทสะให้รู้จิตมีโมหะให้รู้ถ้ารู้ทันกิเลสจะครอบงำจิตไม่ได้กิเลสจะดับไปเลยเมื่อกิเลสครอบงำจิตไม่ได้คนเราจะไม่ทำผิดศีลคนทำผิดศีลได้เพราะกิเลสครอบงาจิตนะอันนั้นเป็นพื้นฐานเลยนะ มันเป็นการที่ฝึกจิตฝึกใจตั้งแต่ขั้นหยาบหยาบขั้นเบื้องต้นเลยคือฝึกไม่ให้กิเลสครอบงำการฝึกจิตฝึกใจในถัดขึ้นมานสูงขึ้นมาอีกไม่ใช่ฝึกไม่ให้กิเลสครอบงำแต่ฝึกครอบงำกิเลสคือการฝึกของสมาธิสมาธิเนี่ยกับศีลจะต่างกันนะศีลเนี่ยกิเลสมันมีกาลังแร ก, กล้าสติปัญญาอะไรของเรายังอ่อนอยู่เราใช้วิธีข่มใจไหมนะ คอยรู้ทันใจของเราไว้ไม่ให้หลงตามกิเลสไปส่วนสมาธิเนี่ยจิตใจเรามีกําลังแก่กล้าขึ้นมาแล้วเราฝึกสมาธิขึ้นมานะข่มกิเลสลงไปไม่ใช่ข่มจิตนะแต่ข่มกิเลสได้กิเลสจะถูกกดเอาไว้นะชั่วคราวนะสงบลงไปชั่วคราวเนี่ยถ้ากิเลสมันแรงมากนะก็สู้ด้วยศีลกิเลสมีกําลังอ่อนลงแล้วเราพอจะสู้ได้นะ สูสีกันแล้วก็สู้ด้วยสมาธิแล้วก็กิเลสขั้นละเอียดนะคือขั้นโง่ขั้นไม่รู้ความโง่ความไม่รู้โมหะอาวิชชาทั้งนี้เป็นกิเลส ช, ชั้นละเอียดสู้ด้วยปัญญาปัญญาเนี่ยมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าอาโมหะอาโมหเะเปลว่าไม่มีโมหะงั้นปัญญากับโมหะเป็นของตรงข้ามกันเราสู้กับโมหะด้วยปัญญา ในเรามีสติคุ้มครองจิตอยู่สีนัตโนมัติจะเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องมาฝึกให้จิตมีสมาธิเรื่องของสมาธิเป็นเรื่องใหญ่ใหญ่มากๆเลยและเป็นเรื่องที่อาภัพมากไม่มีคนเรียนนะบทเรียนเรื่องจิตสิกขาเนี่ยแทบหาคนเรียนไม่ได้เลยหนะลวงพ่อเนี่ยบุญหน้านได้ไปเรียนจากครูบาอาจารย์เรียนจากหลวงปู่ดูลย์หลวงปู่หลายองค์สอนเรื่องจิตเรื่องใจแห้งมหาหัดฝึก เรียนรู้จิตใจตนเองนะเลยแยกแยะสมาธิได้สมาธิมีหลายชนิดนะ น, นี่บางคนมักง่ายพูดเอาง่ายๆไอ้อาก็จะบอกว่าให้ทำสมาธิสี่แล้วจะเกิดปัญญาสมาธิหลายชนิดไม่ได้ทาให้เกิดปัญญามีสมาธิอยู่ชนิดเดียวอะทำให้เกิดปัญญาสมาธิที่ทำให้เกิดปัญญานะมีชื่อเรียกว่าลักขณูปนิชฌานนะส่วนสมาธิอย่างอื่นเนี่ยไม่ได้ทำให้เกิดปัญญา สมาธิเนี่ยแยกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆกลุ่มมิจฉาสมาธิและกลุ่ม ส, มสมัมมาสมาธิมิจฉาสมาธิเป็นสมาธิที่ไม่ประกอบด้วยสติมีราคะมีโทสะมีโมหะแทรกได้เพรนั้นสมาธิเนี่ยเวลามีสมาธิเนี่ยไม่ใช่ไม่มีกิเลสเลยนะบางทีสมาธิบางอย่างเนี่ยเกิดร่วมกับจิต ท, ที่เป็นอกุศลนะเกิดร่วมกับจิต ท, ที่เป็นอกุศล อย่างเวลาเราจะยิงหัวใครสักคนนะหรือจะเอาระเบิดไปปาเขาเนี่ยจิตเป็นอกุศลใช่ไหมแต่มีสมาธิไหมในการยิงต้องมีนะเล่นไพ่มีสมาธิไหมเล่นไพ่ก็ต้องมีสมาธิใช่ไหมไม่ทิ้งผิดตัวไปตายเลยใช่ไมเล่นอะไรอ่ะเรียกอะไรเล่นหุ้นอ่ะใช้สมาธิไหมใช้ใช่ไหมแต่สมาธิออกนอก ในขนาดนั้นบางทีก็โลภใช่ไหมบางทีก็โกรธโลภตรงไหนโอ้ยเอ้ ย, อยตรงนี้มีโอกาสแล้วราคาถูกรีบซื้อพอซื้อลงไปแล้วมันถูกยิ่งกว่าเก่าอีกโกรธเลยเนี่ยมีสมาธินะสมาธิมันเกิดร่วมกับกิเลสได้สมาธิที่เกิดร่วมกับกิเลสก็คือสมาธิที่ไม่ประกอบด้วยสติถ้ามีสติไม่มีกิเลสมสมาธิอย่างนี้เป็นมิจฉาสมาธิสมาธิจํานวนมากที่เขานั่งนั่งกันนะมันเป็นมิจฉาสมาธินะ นั่งแล้วจิตฟุ้งซ่านจิตเคลื่อนออกข้างนอกนะตามแสงสว่างออกไปเที่ยวรู้เที่ยวเห็นของภายนอกออกไปของจริงบ้างของปลอมบ้างนะเห็นผีเห็นเทวดาเห็นอะไรตอนอะไรออกไปนะีน่สมาธิอย่างนี้ออกนอกนะไม่ไม่มีสติที่จะรู้กายรู้ใจของตัวเองนะเป็นสมาธิที่ครูบาอาจารย์ไม่ให้ทำนะแต่เป็นสมาธิที่พวกเราชอบทำนักปฏิบัติชอบมากเลยเพราะมันทำแล้วรู้สึกว่ากูเก่งกูเก่ง ลูกศิษย์หลวงปู่ดุลก็มีนะหลวงปู่นะสั่งนักสั่งนาว่าอย่าส่งจิตออกนอกอย่าส่งจิตออกนอกชอบมากเลยหลายองค์มีเนนอยู่องค์หนึ่งชอบส่งจิตออกนอกนะวันๆไม่ทำอะไรดูจิตคนอื่นรู้จิตพระทั้งบัดเลยนะพระองค์ไหนจิตเป็นยังไงนะกลางค่ำกลางคืนแกแทบไม่หลับไม่นอนนะแกดูจิตคนอื่นหลวงปู่ห้ามก็ไม่ฟังนะแล้วเป็นเนนที่แตกฉานมากเลยฉลาดมาก ได้ฉายาว่าเนนสังฆราชไม่ใช่เนนธรรมดานะเป็นเนนระดับสังฆราชโอ้แตกฉานจีเนสมากเลยรู้ฤทธเดชเยอะนี่ดูจิตคนอื่นจนชำนาญนนะจิตออกนอกชำนาญสมาธิดีมากแต่เป็นสมาธิออกนอกวันหนึ่งนะแนั่งอยู่ในวัดแกเห็นลิงไม่มีคนให้ดูไปดูจิตลิงปรากว่าดูแลสติตามตัวเองไม่ทันนะ ความรู้สึกของลิงเนี่ยครอบงาใจตัวเองเน้นนี่นะลึกว่าตัวเองเป็นลิงนะก็โดดขึ้นต้นไม้ไปเลยขึ้นต้นไม้ได้อย่างรวดเร็วเลยปุ๊ บ, บขึ้นไปอยู่บนยอดไม้นะมองลงมาอีกเห็นควายเอาสิเป็นลิงอยู่นะดีๆนะพอไปเห็นควายเนะจิตควายเข้ามาแนละ้วคิดดูควายอยู่บนต้นไม้อะไรจะเกิดขึ้นนะ อันนี้พรวดพลาดลงมาอีกนะลงมาคลานอยู่ที่พื้นเป็นบ้าไปเลยนะเพราะสติตามรักษาจิตไม่ไหวจีตออกนอกนะแล้วก็เอาไปรักษาันพี่ชา ย, ยพาไปรักษาหายไปพอมันั่งสมาธิก็เป็นอีกเป็นหลายรอบนะสุดท้ายฆ่าตัวตายผุขอตายไปเลยเนี่ยครูบาอาจารย์ห้ามเราไม่ฟังอันนี้อาการเพียเพ้ยนๆเนี่ยเกิดเมื่อหลวงปู่ดูนมรณภาพไปแล้ว ตอหลังๆไม่มีใครคุ่มก็ได้ถ้าหลวงปู่อยู่ยังกลัวหลวงปู่นี่สมาธิบางอย่างนะนั่งเราเห็นโน้นเห็นนี่นะรู้โน้นรู้นี่เราเลิกชาติได้อะไรต่ออะไรได้เนี่ยมันสมาธิออกนอกนะไม่เป็นไปเพื่อสติปัญญาอะไรหรอกบางทีรู้มากๆนะก็ไปหลงปูกพันกับอดีตคนนี้เคยเป็นเมียเราชาตินี้ก็ควรจะเป็นอีกอย่างเงี้ยบางทีมันมาเกิดเป็นผู้ชายแล้วนะ <c oughs> มันชักยุ่งกันใหญ่ หรือคนนี้เป็นสามีเราเอาชาตินี้มันมาเป็นหมาทําไงล่ะ mm hmm. จุ้งกันใหญ่นะเอออยู่จู้งกับมันนะงนั้นพยายามอยู่กับปัจจุบันนะสมาธิชนิดที่จิตออกนอกเนี่ยไม่เอาเลยขาดสติเพราะั้นเวลานั่งสมาธิอย่าให้ขาดสติหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัวพุโทโธก็รู้สึกตัวดูท้องพองยุบก็รู้สึกตัวดูนิจงกรมก็รู้สึกตัวต้องทําด้วยความรู้สึกตัวตลอดสายของการปฏิบัติ ถ้าทิ้งความรู้สึกตัวไปก็คือทิ้งการปฏิบัติเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นมีความเพียรเมื่อไรขาดสติเมื่อนั้นขาดความเพียรไปเรียบร้อยแล้วะฉนั้นสติสาคัญมากนะพยายามรู้สึกไปเรื่อยอย่าให้ขาดสติอย่าให้ลืมกายอย่าให้ลืมใจสติเป็นตัวรู้ทันถึงความมีอยู่ของกายของใจนะขอรู้สึกถึงกายขอรู้สึกของใจงั้นเวลานั่งสมาธินะอย่าให้ขาดสติอย่าให้เคลิบเคบลิมลืมเนื้อลืมตัวนะ บางคนอาการแปลกๆนะนั่งแล้วก็แกว่งไฟแกว่งมานะเคลอบเคลินะ้มเพี้ยนเพี้ยนไปเลยจิตใต้สํานึกทํางานนะกิเลส ท, ที่สะสมไว้มันทำงานขึ้นมานะคิดว่ามีโอ่งหลงโนะอค์อะไรโนะอ่งอะไรจะมาลงเนะทวดาที่ไหนจะมาหลงมนุษย์เหมน็มนจะตายไปเทวดาเคยไปทูลพระพุทธเจ้านะว่ามนุษย์เนี่ยเหมน็นที่สุดเลย เทวดาเนี่ยเข้าใกล้มนุษย์ในระยะ100ยอดนี่นะจะทนไม่ไหว100ยอดคือ 1,600 กกิโลงันะ้นเทวดาจะมาสิงสู่อยู่เราเนี่ยไม่มาหรอกอย่างมากก็ส่งพลังงานมาจากข้างบนนะเข้ามาเท่านั้นเองจะเทวดาจริงๆจะไม่มาอยู่กับเราถ้ามาสิงอยู่ข้างไหนเนี่ยเปรดแน่นอนไม่ก็อสุรกายนะอย่าไปยุ่งกับมันเงั้นเวลานั่งสมาธินั่งให้มีสตินะ นิสสมาธิที่มีสติยังแยกยเป็นสองอย่างนิสติแรกหลวงพ่อแยกเป็นวิจชาสมาธินะักสมาธิที่ดีคือสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิยังมีสองชนิดอีกชนิดที่หนึ่งจิตเป็นหนึ่งะจิตเป็นหนึ่งะสงบอยู่กับอารมณ์อันเดียวเรียกว่าจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งเพ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวมีสติไม่ขาดจากอารมณ์นั้นเรียกว่าอารามณูปนิชาน อารามณูปนิชานเอาไว้ทําสมถะกรรมฐานเอาไว้ทําสมถะกรรมฐานเพื่อจิตจดจ่ออยู่ในอารมณ์เดียวเงั้นอย่างเวลาเรารู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้านะจิตมันจับเข้าไปที่ลมหายใจจิตจับอยู่ที่ลมหายใจไม่หนีไปไหนเลยอันนั้นแหละจิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวจิตไปอยู่ที่ลมหรือดูท้องพองยุบนะพองหน่อยุบหนอพองหน่อยุบหนอนะจิตไปจับอยู่ที่ท้องนิ่งอยู่ที่ท้อง ก็เพ่งท้องเป็นอารมณ์ก็เรื่องอารามณูปนิชฌานเดินจงกรมนะยกเท้าย่างเท้าเพ่งอยู่ที่เท้านะจิตมันคอนเซนเทรตลงไปนะคือสมาธินี่แปลว่าคอนเซนเทรตเนี่ ย, ยมันตรงกับคำว่าอารามณูปนิชฌานมันมันจดจ่อลงไปนะถ้ารักขณูปนิชฌานเนี่ยไม่ใช่คอนเซนเทร t หรอกมันเป็นความตั้งมั่นของจิตจิตมันถอดถอนตัวเองขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูนะิดผู้สังเกตการ เนี่ยในพจนานุกรมบางทีไปแปลสมาี่ว่า Concentrate นะก็อันนั้นก็ถูกเหมือนกันแต่ถูกด้านเดียวสมาธมีสองอย่างสมาธที่ถูกอะ่ะอหนึ่งจิตเนี่ยนะมันมันมั น, ม, นมันพุ่งลงไปน้ำไปจับอยู่ที่อารมณ์เดียวนะมันบีมตัวเองเข้าไปเข้าไปจับนิ่งอยู่ที่เดียวสงบไม่ไม่ฟุง้งซ่านไปที่อื่นได้อะไรได้ความสงบเพราะว่าจิตไม่ร่อนเร่ไปที่อื่นนะ ตัวนี้ถ้าจะทำนะแคมเป็นเหมือนกันมีประโยชนนะ์อย่างใจของเราปกตินี่ร่อนเร่ตลอดเวลาจิตกับร่างกายไม่เหมือนกันร่างกายเคลื่อนไหวแล้วแข็งแรงนะจิตนิ่งแล้วแข็งแรงจิตนิ่งแล้วมีพลังนี่จิตของเรามันไม่เคยนิ่งนะแสบไปสายมาตลอดเวลาวิ่งไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจทางใจกใ็หนีไปคิดวุ่นวายอยู่ทั้งวันนะจิตไม่มีพลังงั้นก็มาฝึกสมาธิให้จิตอยู่ในอารมณ์มันเดียวไม่ให้ร่อนเร่ไป แต่ต้องรู้จักเลือกอารมณ์เคล็ดลับของการทำสมาธิชนิดสงบนะอยู่ที่การเลือกอารมณ์เราต้องดูว่าจิตของเราเนี้ยชอบอารมณ์อะไรคนไหนพุทโธแล้วมีความสุขก็ใช้พุทโธคนไหนรู้ลมหายใจแล้วมีความสุขก็รู้ลมหายใจคนไหนดูท้องพองยุบมีความสุขดูท้องพองยุบใครเดินจงกรมมีความสุขก็เดินจงกรมนะแต่อารมณ์ที่มีความสุขต้องเป็นอารมณ์ที่ไม่ยั่วกิเลส อย่างไปดา่ารัฐบาลแล้วมีความสุขนี่นะลมสมาธิจะไม่เป็นสมาธิที่ดีเพราะมัวสนใจข้างนอกนั้นเป็นมิจฉาสมาธิไม่ใช่สมาธิที่สงบจะฟุ้งไปเท่านั้นกยังต้องเป็นอารมณ์ที่ไม่ยั่วกิเลสนะยังเราพยายามดูนะใจเราชอบพุโทโธเราก็พุโทโธชอบหายใจก็รู้ลมหายใจรู้สบายสบายหรือบางคนชอบบริกรรม พุโทโธพุโทโธสบายใจก็อยู่กับพุโทโธไม่ชอบพุโทโธจะบริกรรมสัมมาอรหังนัมมะพาธะอะไรก็ได้หรือบริกรรมคาถาสั้นๆ น, น, นะเมตขุนังอรหังเมตตาเมตขุนังอรหังเมตตาอะไรอย่างนี้ก็ได้นะแล้วแต่สะดวกถ้าใจมีความสุขสมาธิชนิดสงบจะเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะอารมณ์ มีความสุขเกิดขึ้นใจมันพอใจในความสุขนั้นใจก็เลยไม่หนีไปหาอารมณ์อื่นมันพอใจในอารมณ์ที่มีความสุขซะแล้วการที่จิตเราร่อนเร่อุดตลุดนะั้นมันเที่ยวหาอารมณ์ที่มีความสุขเท่านั้นแหละนี่ถ้าเราหาอารมณ์ที่มีความสุขมาให้มันนะเหมือนเราหาขนมมาล่อเด็กเด็กก็ไามา่กินขนมเด็กก็ไม่ไปวิ่งสนที่อื่นนี่วิธีทําจิตให้สงบนะอยู่ที่เคล็ดลับอยู่ที่การรู้จักเลือกอารมณ์ห้ามเรียนแบบกันต้องดูของตัวเองว่า อะไรทําแล้วนะจิตใจมีความสุขให้ทําอันนั้นแต่ว่าต้องเป็นอารมณ์ที่ไม่ยั่วกิเลสด่าคนอื่นมีความสุขอะไรเงี้ยนะเล่นไพ่มีความสุขอะไรเงี้ยไม่เอาตกปลาแล้วมีความสุคนี้ไม่เอานะมันเบียดเบียนสัตว์อื่นยังไปตกปลาเล่นนะั้นไม่ได้โลภไม่ได้อะไรนะมันเป็นวิหิงสามันเบียดเบียน ด, ด้วยอํานาจของโมหะ เนี่ยถ้าใจเรารู้จักทำสมาธิชนิดนี้นะเวลาที่เราไปทำกรรมฐานมาเราเหนื่อยหรือเราทำงานทางโลกเราเหนื่อยนะเราใช้สมาธิชนิดนี้เป็นที่พักผ่อนจิตจะมีเรี่ยวมีแรงขึ้นมาอีกเล้อกลับไปทำวิปัสสนาต่อได้นะแต่ถ้าเราทำวิปัสสนารวดไปเลยเลยไม่มีที่พักนะเหน็ดเหนื่อยมากจะแห้งแง้งใจนี่จะแห้งแห้งผากเลยนะก็เ ร, เรียกว่าภาวนานแบบสุขวิปัสสกะแห้งผากเลย ถามว่าไปได้ไั้ยไปได้เหมือนกันพระอรหันต์ส่วนใหญ่เป็นพระอรหันต์สุขวิปสัสสกานะไม่ได้ทรงฌานนะแต่ถ้าเราทาสมาธิจิตทรงฌานขึ้นมาได้นะจิตใจสบายคล้ายๆมีเรื่องมีแรงเยอะนะสดชื่นพอนาไปได้นานนะอย่างหลวงพ่อสอนพระเนี่ยพยายามบอกพระให้ทาสมาธิชนิดอรามาณูปนิชานด้วยเ พ, พราะพระไม่มีการมาสุขเลย อยากกินไม่ได้กินอยากนอนไม่ได้นอนอยากได้ของดีๆก็ดได้ของไม่ดีอะไรอย่างนี้นะอย่างนี้ตลอดอยากได้ของเย็นก็ได้ของร้อนอยากได้ของร้อนก็ได้ของเย็นอุตรุษไปหมดอย่างนี้ไม่มีการมาสุขงั้นถ้ามีฌานสุกนะชีพิตรพระจะงดงามมากเลยมีความสุขในการที่ได้บวชอยู่ถ้าไม่มีฌานสุกนะโอ้พระบางทีคิดอยากสึกนะ งั้นรู้จักนะสมาธิสองกลุ่มใหญ่ๆมิจฉาสมาธิกับ ส, ามมาสมัมมาสมาธิมิจฉาสมาธิขาดสติมีราคะโทสัมมูหาแทรกหลงออกข้างนอกสัมมาสมาธิมีสองงานอันหนึ่งจิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวพิธีให้จิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวต้องรู้จักเลือกอารมณ์อารมณ์ใดที่ทําแล้วมีความสุขและไม่ยั่วกิเลสใช้อารมณ์ันนั้นทางใครทางมันของใครของมันไม่เหมือนกันหรอกแต่ละคนไปดูเอาเอง สมาธิอีกชนิดหนึ่งเป็นสุดยอดของสมาธินะเรียกว่าลักขณูปนิชฌานลนักขณูปนิชฌานเนี่ยไม่ใช่จิตเป็นหนึ่งและอารมณ์เป็นหนึ่งะละักขณูปนิชฌานเนี่ยความเด่นของมันอยู่ที่จิตเป็นหนึ่งแต่อารมณ์เป็นแสนเลยก็ได้อารมณ์นะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดจิตเป็นหนึ่งคือเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูเท่านั้นเอง เวลาราต้องมาฝึกจิตให้เป็นผู้รู้ผู้ดูนะแล้วเราจะเห็นอารมณ์ทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วดับไปนั่นก็คือการเจริญวิปัสนาจะเห็นสภาวะของรูปธรรมเกิดแล้วก็ดับนมามธรรมเกิดแล้วก็ดับลองฟังเสียงดูเสียงเป็นอารมณ์ฟังแล้วใจไหวไหมฟังแล้วมันเข้ามาที่ใจหูได้ยินใจมันรับกระเทือนขึ้นมาเห็นใจไหวไหม ตาเห็นรูปนะใจเขาไหวหูได้ยินใจเขาไหวนะจมูกได้กลิ่นใจเขาไหวเช่นนั่งนั่งอยู่ได้กลิ่นเน่าๆมานะใจไหวเลยนะยิ่งอยู่ที่มืดๆหน่ะไหวอย่างแรงเลยว่าเลือกลักเลิก ๆ, ๆักเลยเห็นอะไรเป็นผีไปหนดเออยงนี้วิธีที่จะฝึกให้ได้สมาธิอย่างที่สามเนี่ยสมาธิสุดยอดนะเป็นสมาธิที่ไว้ทำวิปัสสนาคือจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเนี่ย วิธีที่จะได้สมาธิชนิดนี้นะอาศัย ส, สติรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปอาศัยสติรู้ทันจิตที่เคลื่อนจิตจะเคลื่อนไปทางตารู้ทันจิตเคลื่อนไปทางหูรู้ทันเคลื่อนไปทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจรู้ทนันทางใจคือส่วนใหญ่จะเคลื่อนไปคิดนี่ถ้าหัดใหม่ๆเนี่ยดูมันหกช่องดูจิตเคลื่อนทั้งหกช่องนะดูยากเอามันลดระดับลงหน่อยนะมาทำในรูปแบบ เวลาเราทำในรูปแบบนะั้นเราอยู่กับที่ใช่ไตาเราก็เห็นรูปเดิมไม่มีความน่าสนใจหูได้ยินเสียงอย่างเดิมไม่มีอะไรน่าสนใจจมูกได้กลิ่นอย่างเดิมไม่มีอะไรสนใจนะเหลือแต่ร่างกายกระใจที่ทำงานอยู่ร่างกายนั่งอยู่ร่างกายเดินอยู่ร่างกายหายใจอยู่นะจิตใจแอบไปคิดโน้นคิดนี้อยู่บางทีเราทำกรรมฐานสักอย่างนะท่เรารู้ลมหายใจไป พอเรารู้ลมหายใจนะบางทีจิตก็หนีไปคิดให้เรารู้ทันนั่งรู้ลมหายใจไปจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจให้รู้ทันถ้าจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจเราไม่รู้ทันนะมันจะกลายเป็นอารามณุปนิชานคือไปเพ่งอยู่ที่ลมหายใจเพราะงั้นถ้าเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนไปนะจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติเห็นไหมวิธีทําจิตให้ตั้งมั่นก็คือด้วยวิธีรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นแค่รู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นจิตตั้งมั่นจะเกิดเพราะอะไร ว่าจิตที่ไม่ตั้งมั่นเนี่ยเป็นจิตที่ประกอบไปด้วยโมหะชนิดอุทัด จ, จะความฟุ้งซ่านมันฟุ้งไปในอารมณ์ต่างๆซ่านไปในอารมณ์ต่างๆนะมันไหลออกข้างนอกไปทันทีที่สติเกิดรู้ทันว่าจิตมันไหลไปนะกิเลสจะดับทันทีเพราะมีสติเกิดเมื่อไงกิเลสดับเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นทันทีที่เรารู้ว่าจิตเคลื่อนออกไปจิตฟุ้งออกไปจิตไหลไปการไหลนั้นจะขาดสะบั้นลงเกิดจิตรู้ขึ้นมา เพราเราก็ต้องฝึกกรรมฐานสักอย่างหนึ่งขึ้นมานะนั่งสมาธิอะไรเดินจงกรมอะไรก็ทําไปจะท้ายใช้กรรมฐานอะไรก็ได้พุทโธพุทโธก็ได้จิตหนีไปคิดแล้รู้เอาพุทโธพุทโธจิตไปเพ่งความว่างๆอยู่รู้เอารูลมหายใจไปก็ได้นะจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไปเพ่งลมหายใจรู้ทันดูท้องพองยุบก็ได้จิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไปเพ่งท้องรู้ทันเดินจงกรมก็ได้นะ จิตนีไปคิดรู้ทันเดินไปจิตนี้ไม่คิดแล้รู้จิตไปเพ่งอยู่ที่เท้าหรือจิตเพ่งร่างกายทั้งร่างกายเขารู้จิตมันเคลื่อนไปรู้ทันจิตที่เคลื่อนนะจิตที่รู้จะเกิดนั้นถ้าจิตไม่ตั้งมั่นนะขันจะไม่แยกทําไมไม่แยกว่าจิตนันแหลๆไหลเข้าไปรวมกับขันรู้ลมหายใจจิตที่ไปรวมกับลมหายใจนี่ยจิตรวมเข้ากับรูปแล้วดูท้องพองยบจิตไปรวมอยู่กับท้องนี่จิตก็รวมไปรูปแล้วแต่ถ้าจิตตั้งมั่นเนี่ยขันมันจะแยกนะ นนี้หมดเวลาแล้วไปกินข้าวก่อนเดี๋ยวเล่าต่อให้ฟัง น, นี่หมดเลยครับ